ผีผ่านคนทุกคนยิ่งรู้คุณคา่าซึ่งราในพระธรรมพระอาจารย์มันแนะนำอบรมบ่งธรรมย้ำคอยพรำสอนทุกขัน้นทุกตอนดียิ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนศรัทธาเลื่อมใสด้วยความจริงใจไม่มีห่างหัน เทูนพระอาจารย์มันนั้นนับวันเพิ่มทวีหนึ่งปีสองเดือนนับได้พอดีอยู่หมูม่บ้านนั้นสอนทำตามวิธีเมตตาธรรมนั้นเต็มที่ล้นฤอดีเสมอมา รันถึงวันทันจากลาเขาออกมากันหมดบ้านหลังลายทุกคนมนมองร้องไห้แส้นอะไรอาวอนอย่าจากคูวักเฮาไปเลยเขาเฝ้าวิงวอนกอดแข่งกอดขาชุดชายสะบงจีวอน ร่ำครวนหวนหาว อ, อนมิอยากให้จรนจากเขาไปร่างร่างไกลห่างหายแรมลาเขาต่างยินดีพร้อมพรีชีวาด้วยความเลื่อมใสดังว่าเต็มเปี่ยมบุราไม่คใาย ด้วยความเลื่อมใสดังวาลน้นราทุกนาทีหาหาที่ได้เปรียบปานเขาร้องระงอมทุกตรมรำพนันเพราะความมาไยในทานฟังแน่นอยู่ในดวงได้ ยังร้องตะเบ่งเสียงแส่ไม่ว่าเลียวแล่หวนได้เห็นเห็นแล้วนาเวธนาจับใจท่านต้องปลอบโยนด้วยเหตุผลมากมายกว่าจะจากพวกเขามาได้ต้องอธิบายอยู่นาน ปลอบโยนหลายครั้งจึงผ่านจรจากหมู่บ้านนั้นมาพวกเขาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีมาก่อนโดยมองว่าท่านเป็นเสือเย็นครั้นเห็นโทษความผิดแล้วก็พร้อมใจกันมาขอขามาโทษท่านก็อโหสิกรรมให้ ก่อนจะจากพวกเขาท่านพูดกับพระที่อยู่ด้วยกันว่าที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้วพอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านร้องไห้วิงวอนกันชุลมุนวุ่นวายไปทั้งป่าเนื่องจากพวกเขาไม่ยอมให้ท่านหนีจากไปไหนเขาบอกกับท่านว่าแม้ทุเจ้าตายลงที่นี่โมโาทั้งหมดนี้จะเผาซพทุเจ้าเอง มูฮาเองก็ขอมอบชีวิตไว้กับตัวเจ้าด้วยพระมูฮาหักและเคารพตัวเจ้ามากท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จำต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเกินขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดีจนพวกเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็กลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างไปรุมล้อมท่าน และเข้าไปแย่งเอาบริขารกรดบาดกา้ําและฉุดชายสบงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลับมาที่พักอีกท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลปลอบใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งจนเขายอมปล่อยให้ท่านไปแต่พอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้แค่สีห้าวาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วก็พากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีกฟังเสียงร้องไห้ระเบงเสียงแส้ฉุกละหุกวุ่นวายไปทั่วทั้งป่า ซึ่งเป็นที่น่าสมเพศเวทนายย่งนักทำเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงคำว่าเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกๆจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใสความอาลัยอววรในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสง่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงไม่แต่เสียงร้องไห้ระทมทุกของพวกชาวเขาที่เฝ้ารำพันพิไรทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่า เมื่อตัวเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหามูเฮาอีกอย่าจากไปนานมูเฮาคิดถึงตัวเจ้าแทบอกจะแตกตายอยู่เดียวนี้แล้วจนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกขในคราวท่านจากไปณเวลานั้นท่านจึงได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณ